<c oughs> <c oughs> มาพร้อมกันดทุกคนไม่ยัง่งวันนี้หลังจากที่พวกเราว่ายพระทมวัดเจริญพุทธมนต์เพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็ น, นกุศลนำเดึกนึ ก, นกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณด้ว ต่อไปอาจจะมาจะได้นำพวกเรานั่งสมาธิฟังเสียงธรรมภาคปฏิบัติขององค์หลวงตาท่านก่อนเีียะถึงตรงนั้นเพราะพวกเราพระสง์องค์แนนเข้ามาศึกษาใหม่ก็มีแม่ขาวนางทีญาตยอมเข้ามาศึกษาใหม่ก็มี พอที่จะเข้าใจแล้วก็ไมนมีและจานั้นอ่ะสำหรับผู้มาฟังใหม่ศึกษาใหม่หรือเพิ่มเติมเสริมความยินดีพอใจกับบุคคลผู้เข้าใจแล้วจานั้นอ่ะมันเป็นเรื่องจําเป็นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องทำความควมเข้าใจตรงนี้ สำหรับการมาปฏิบัติภาวนาฝึกนั่งสมาธิการฟังเพื่อให้เกิดความู้เกิดความฉลาดรู้จักเลือกเฟนเลือกเฟนอะไรเลือกเฟนอารมณ์ที่มันอยู่ที่จิตใจของพวกเรา คนปกติธรรมดาถ้ายังไม่สำเร็จเป็นพระอริยเจ้าทุกท่านทุกองค์ทุกคนดวงจิตดวงใจมีกิเลสโลภโกรธโลงตัณหากันทั้งนั้นฟังแล้วให้ดูในจิตใจของเองถ้าเผื่อพวกเราดูในจิตใจของพวกเราพวกเรายอมรับว่า กิเลสโลภโกรดหลงตัณหาความทะเยอทะยานอย่างยังมีอยู่ที่ใจตรงนี้หละการฟังเพื่อให้เกิดความรู้เพื่อเกิดความฉลาดว่าลักษณะของกิเลสลักษณะของตัณหานั้นพวกเราจะไปเรียนรู้ยังไงภาษาเราง่ายๆกัน เรียนรู้กิเลสที่กิเลสตัณหาแสดงออกกับอารมณ์เรื่องอารมณ์นั่นแหละถ้าเผื่อพวกเราไม่มีสติธรรมปัญญาธรรมํำหรับเลือกเฟนอารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของตัณหาที่มันเคยชินอยู่กับความรู้สึกจิตใจของพวกเรานะนะี่ะ ความเคยชินจนพวกเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของธรรมดามันใ้อยู่ที่ใจพวกเราไม่ได้รังเกียจพวกเราไม่ได้ระวังตรงนี้ความเข้าใจผิดตรงนี้นะฉะนั้นการฟังเมื่อพวกเราเรียนรู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นชื่อว่า กิเลสโลกโกรธหลงตัณหาความตะเยอะตะยานอยากอยากในทางที่มันผิดมาประสมประสานกับเรื่องกิเลสโลกมันได้ดังใจและ ก, ะโลก็โกรธถ้าได้ดังใจและ ก, ะลก็หลงในสิ่งเหล่านั้นอ่ะผลมันเกิดขึ้นตามมากับความนึกคิดการกระทําของตัวเองก็คือปัญหาเรื่องทุกข์ใจ ฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกคนใช้ความฉลาดเรื่องตรงนี้ให้ดูอารมณ์ใจของพวกเรานะ่นะให้มันอยู่ในอารมณ์ของความเป็นธรรมชาติคืออารมณ์ของศีลของธรรมถ้าอารมณ์อันใด เกิดจากความเข้าใจผิดอันนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องอดีตผ่านมาแล้วอย่าไปกังวลอย่าไปคำนึงอย่าไปนึกอย่าไปจิดเทิงให้เอาปัจจุบันในขณะนี้อารมณ์ปัจจุบันในขณะนี้พวกเราไม่มีอะไร เราอยู่ในถามกลางของควมเงียบให้เป็นควมเงียบสงบเงย็นอกเย็นใจเย็ดใจสดขึ้นเลื่อนเดินยิ้แย้มแจ่มใสดีอกดีใจว่าพวกเรากำลังมาฟังมาฝึกมาปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ต้องใช้ความฉนาดเลือกความนึกความชิดของจิตใจ ถ้าเผื่อพวกเราไม่ใช้ความฉลาดอารมณ์ของศีลของธรรมอย่างที่ว่านี่ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ไดฝึกฉะนั้นอารมณ์ของศีลศีลคืออารมณ์ดีเอออารมณ์ดีเราตั้งใจอย่างนี้มีความรู้สึกอารมณ์ดี ศ็นอารมณ์เรียบร้อยความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดธรรมคือความงามอะไรงามก็มใจของเรานั่นะอารมณ์ของจิตใจของเรานั่นแหละความดีความงามปรากฏอยู่ที่ไหนไม่เคยให้ทุกข์ให้โทษกับจิตใจของบุคคลผู้ใด คำว่าดีคำนี้งามคำนี้เป็นศัพท์ที่เกิดจากลักษณะของศิลธรรมดีเกิดจากลักษณะของศิลธรรมเป็นการแสดงออกทางกายทางวาจาและจิตใจของแต่ละท่านแต่องค์แต่ละคนอารมณ์กิริยามรารยาทลักษณะนี้แสดงออกถ้าเป็นผู้น้อยผู้หนุ่ม ยังเป็นเด็กเป็นเล็กผู้หลักผู้ใหญ่ท่านดูท่านเห็นกันน่ารักน่าเมตตาน่าสงสารมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครถ้าเป็นผู้รลักผู้ใหญ่กันน่ารักน่าเคารพเพราะเป็นอารมณ์ของความดีกิริยามารยาทของท่านอารมณ์เรียบร้อยเป็นจริยามารยาทความดีความเรียบร้อยมีที่ใดมันเกิด คุณธรรมคือความดีคุนธรรมคือความงามฉะนั้นเรื่องอดีตที่ผ่านมาจะช่วงระยะไหนก็ตามถ้านึกถึงตรงนั้นมันเกิดปัญหาทำให้จิตใจเป็นทุกข์ทำให้จิตใจไม่สบายต้องใช้ความฉลาดมันผ่านมาแล้วให้มันผ่านไป ของที่ไม่ดีทิ่งไปแล้วอย่าเจ็บขึ้นมาเจ็บขึ้นมาเนี่ยเจ็บไปไว้เถื่อนมาอีกเรื่องหนึง่งมันเจ็บไว้ที่ใจทีมันยิ่งมาเพิ่มความโง่โมหะความหลงเข้าไปอีกมันไม่ใช่น้าที่ของพวกเรามาฝึกเพื่อความฉลาดมาปฏิบัติกายวาจาใจของพวกเราให้เกิดความฉลาดฉะนั้นนะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามีความ รูมีความฉลาดเกิดความสำเนึกรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวเออเนี่ยเราเป็นพระสงฆ์องค์แดนเราเป็นแม่ขาวนางเีเป็นอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธเจ้าสอนยังไงเพราะพระสงฆ์องค์แดนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัทสอนให้ พวกเราเข้าใจรู้ว่าพบหน้าชาติหน้ามีจริงนาลกมีจริงเปรตผีมีจริงอัสุลกายมีจริงสัตว์เดรัจฉานมีจริงส่วนสัตว์เดรัจฉานพวกเราไม่สงสัยเพราะพวกเรามองเห็นเป็นตนเป็นตัวของสัตว์เดรัจฉานสวรรค์มีจริงเทวดาเทวดามีจริง ตรงนี้เรามาฟังเป็นไปได้ยังไงเกิดมาเกิดปเป็นไปได้ยังไงเรื่องสวรรค์เป็นเทบุทวดานี้ยังไงจะให้มาก็มีการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจของพวกเรากายวาจาใจของพวกเราสมบัติความเป็นมนุษย์เป็นสมบัติส่วนใาญ่ถ้ากายวาจาใจเ ท, เทวดาเป็นสมบัติความเป็นเทพ ก็มีรูปมีร่างเหมือนพวกเราเน่นะเป็นผู้ชายก็เทพพระบุตรถ้าเป็นผู้หญิงก็เทพปรดาและจากนั้นอันนี้เป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้เพราะเรามาใช้กายของพวกเราเว้นจากความชั่วขึ้นชื่อว่าเป็นบาปขึ้นชื่อว่าความชั่วที่พระพุทธเจ้าห้ามโดยเฉพาะก็คือศีล เราไม่กล้าทาเราไม่ไปทำในสิ่งที่มันเป็นบาสนั้นแล้วเราไม่ไม่โูดในสิ่งที่มันเป็นบาสนั้นเราไม่เ็ดในสิ่งที่เป็นบาสนั้นดังนั้นกายโูคสมบัติของพวกเราถ้าเราเว้นจากความชั่วรรคสมบัตินี้จะอยู่ในฐานะของความเป็นบุญ วาจาเว่นจากความชั่วเป็นวาจาที่ไม่มีความเป็นบาปจิตใจไม่มีความเป็นบาปกายวาจาใจตรงนี้แหละมันจะอยู่ในฐานะสมบัติความเป็นทิพเหมือนอย่างพวกเรานอนแล้วฝันนะั่นน่ะพวกเราฝันไปนะนะั่นน่ะรูปร่างกายส่วนหยาบนอนอยู่ที่นอนแต่ในขณะที่ฝันนนะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่นอน แสดงถึงว่าเออเนี่ยรูปของเราเนี่ยปรากฏในขณะที่ฝันรูปเสียงกลิ่นรสหมู่เพื่อนอะไรก็าตามแต่เหมือนอย่างเป็นรูปของความเป็นมนุษย์อันนั้นแหละท่านเสียบเทียบ ว, ว่าเป็นรูปความเป็นเทปกายเทพถ้ากายเทปเป็นเทุตรเทวดาได้ก็เพราะอาศัยพวกเรายังมีชีวิตอยู่แบบนี้ รู้จักอาศัยการกระทําทางกายให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเล่นจากความชั่วรู้จักการทําบุญรู้จักใจบาตรู้จักการทําบุญเสียสดาจากคัดทำกิจกรรมอันใดเพื่อเกิดความเป็นบุญในการกระทําทางกายวาจควาคาพูดพูดความซื่อสัตว์สุจริตตรงไปตรงมาไม่โกหกหลอกลวงวาจาของพวกเราเกิดเป็นความเป็นบุญในวาจาความเป็นสมบัติความเป็น ปนเป็นกุศลเกียรติใจนึกถึงสิ่งที่อันไหนมันเป็นทุกข์เป็นโทษเรากลัวเราละอายเราไม่กล้าไปทำในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษนั้นนั้นกายวาจาใจของพวกเราอยู่ในฐานะที่จะยกฐานะเข้าสู่ความเป็นเทพเป็นเทวดาไปได้มันเกิดจากการกระทำแต่ความเป็นมนุษย์นะถ้าเป็นเปรตเป็นผีเป็นสานรบกับเวจีสารเจริน แต่คือเอากายของวายจาวิจิตใจของพวกเราเนี่ยไปทําไปพูดไปเิดทําในสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมมันเป็นบาปสิเมื่อทําในสิ่งที่เป็นบาปแต่ใจของเรานั่นแหละสิเนี่ยมันก็เป็นมโนโสมบัติไปเกิดเึ็นสัตว์เดชานกับลูกวิบัติจะทํำยังไงเนี่ยเยี่ยงเป็นเปรตเป็นปีศาจรกเวจีปาโดยทุกข์ทนทุกข์ทรมานมันเกิดจาก มนุษย์คนเรานี่แหละความเข้าใจผิดความเข้าใจถูกดังนั้นถ้าเพื่อแนวชิดไม่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมไม่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายเนี่ยอาศัยโลภะโทสะโมหตัญหาพาเกียิชิดแล้วพาการกระทาทางกายวาจาคาพูดอันนี้ไปทาทางที่มันผิดจะเป็นมิจฉาทิฐิ ดันั้นสมบัติลำค่าของพวกเรารูปร่างกายของพวกเราวาจาของพวกเรานี่มโนจิตใจของพวกเราไม่ควรจะให้ไปอยู่ในฐานะเป็นมิจฉาทิฏฐิควรจะให้อยู่ในฐานะความเป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อตามคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าบุญเบเจง บาปนี่จริงการเว้นจากความชั่วได้ก็ อ, อาศัยกายวาจาใจของพวกเราเนี่เป็นจริยาที่เป็นเครื่องละเว้นจากความชั่วทำบุญทากุศลก็ อ, อาศัยกายว่าจาใจที่เป็นสมบัติต้นทุนของเรานี่แหละอันนี้ตังหากนะแต่นั่นเปนเรื่องอดีตที่ผ่านมาใจของพวกเราต้องใช้ความฉลาดอันใดที่มันมีปัญหาอย่าไปนึกอย่าไปคิดเอาปัจจุบันนี่บาง เรื่องต่างๆให้ใจสบายสบายอยู่ในขณะเนี้ยเพราะใจต้องการความสบายต้องการความดีฉะนั้นทําใจให้ดีทําใจให้สบายสบายสดตื้นลื่นเดิ น, ดนยื้ยแยมแจ่มใสนึกอภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทธะคือผู้รู้ผู้รู้คือใจใจของเราเนี่ยต้องรู้เลือกอารมณ์ของกิจใจอย่างที่ว่าอยากให้เป็นอารมณ์ของกิเลสตหา ให้เป็นอารมณ์ของศีลของธรรมอย่างที่ว่าให้ฟังเอาที่นี้ต่อไปจะให้พวกเราตั้งใจนั่งฟังสมาธิจากรรมาปฏิบัติขององค์หลวงต า, าต่อไปทีนี่อ๋อไม่าป็นไรยไม่ว่อยวะผมผิยมไงร่างกลงน คุยมนะนี่ย so, ังมีองยท่านเห็นไมะเห็นชัดม่ะเนี่ยมัวนสงไมู่นะหมอีนตรวว่ออเือด้งสมองไม่พอนีแล้วก็ปอดหน่อนทํางานได้สีย อันหนึ่งมันห้อยอใจมันเต้นไปถึงเท่าไหร่แล้วหยุดกตกื๊บแล้วเราต่อไปค่อยเดินไปอีถ้าไปถึงจังหวะเก่าแล้วก็หยุดอีกเสียงอีกอันหนึ่งห้อใจทํามาก่อนแล้ ว, ว่ก็เกิดไปเรื่องสงมองเลยพอมทําให้เกิดยเมือนเรายอมรับเพราะเราก็งงอยู่ ข oh e si. ัน like ย่นเด้มากเลยมากมันแทนที Found ่ยีก no ํายางไปไหนมาไหนสะดวกสบายตัดไม่เนอย่างนั้นความยืนยันมันไปกลางๆมันไปเลยก็ายงไม่กํายางมันสําผันความยืนยันมันไปด้วยกันนี่ที่ทำให้เราเออขันชิ้นแล้วสะดวกสบายนมาไหนห้อมือทำามตึงๆอย่มงนี้ลูกคนมีนยืนอยเางเดียว นข่ครับทุกค่อหมอเขามาบอกเราก็ยอมรับห้เราเปหนุนแล้วนี่วะก็แปลกเนาะแล้วก็คอเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นข้อกดที่มันเป็นหวือนเป็นหวัดเป็นอะไรลักษณะเหวั่นเป็นหวัดเพราะว่าเป็นข้อกดเขาอธิบายให้ฟังเนี่ยแทนที่มันจะเป็นเหมือนเป็นหวัดอยู่เป็นหวัดชั่วๆไปไม่ใช่หวัดแล้วก็บอกว่าไม่ใช่หวัด มันเป็นมาสามปีกว่ Freiheit, าแล้วอ่ะมันไม่มากกว่านี้มันทำเปล่ยนทั้งวันอยู่งั้นให้เริ่มเลยนะเราไหว้พระย่อยๆแล้วก็นี่ทำจังเครอะไรมันงอคอยเอางอคยมากเยียบบทไม่เสมอไปบท่านบาง่านวดเจนไหนพอดีอะเป็นกรามเส้นเส่นเส้นทั่วไปที่มัน จังหวะของมันมันเปลี่ยนจรบดไม่เสมอมันก็ขัดของมันส่วนเส้นที่มันตึงเลยมันก็อ่อนส่วนเส้นทั่วไปที่ไม่เปลี่ยนจรบดเสมอมันก็ตึงของมันเนี่ยอย่างนั้นนะทุกวันนี้ผมท <c oughs> ่าขันมีอํานาจมากนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เดินโยกมมไม่มีประมาณนะไม่มีอะไรเลยคืออันนี้บังคับ สี่ทุ่มห้าุ่มออกมาเดินก็มีผมผม่รู้ว่ามันบีบมันบ้างครับต้องเอาความสะดวกจากการเดินที่ขายเส้นนะค่อยอ่อนแล้วค่สะดวกแล้วเขาลยพักได้เวลามันบีบเวลาไหนอะนั่นละ่ะต้องออกอะบางทีตีหนึ่งออกก็มีออกมาเดินอย่างผมถ้าไปไปข้างไหนก็เดินอยู่หน้ากุติแต่เดินอยู่หน้ากุติมันสั้นมันไม่เต็มเก้าอันนั้นเดินเต็มเก้า พรกลางคืนมืดมิดมันมีเส้นยาวๆเขาขา่นะพอว่เดิเดนเะห็นเส้นอยู่แล้วมันก็เดินไปเดิดนเต็มเก้ากกึกกึกค่อยอ่อนลงอ่อนลงค่อยสบายสบายพอรู้สึกว่าสบายแล้วทีนี้ผมาได้เข้านอนไม่ลับคือมันไม่บีบไม่กวนถ้ามันบีบมันควนนอนไม่หลับนะต้องไปคลี่คลายแบบนี้แบบเดินอย่างอื่นไม่ได้นะ แล้วแต่มันบีบเวลาไหนก็ต้องได้ออกเวลานั่นหน่นี่ย เ, เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะเอากดเอาเปลี่ยนไม่ได้เลยทีทีสองออกก็มีออกไปเดินอ่อย่างนั้นนะทีสามออกก็มีแล้วแต่มันจะบีบบางคำเมื่ไรเพราะนอนไรไวนี้มันไม่ได้นอนมากนะรับนี่เงียาๆไปนี่ห น, น, น, น, น, น, น่อยถ้ามันไม่กวนมันก็ไม่เป็นไรมันก็สะดวกสบายข้งมัน ถ้ามันควรแล้ววันนั้นเลยออกเปลี่ยนให้ว่ากาหนดไม่ได้เวลาเดินอย่งกลมไม่มีกาหนดไม่มีเวลาเลยดูแต่ธาตุขันมันบีบตอนไหนตอนไหนก็ต้องไปพี่ขายตอนนั่นตอนนั้นเลยทีนี้ธาตุขันมันมันมีอำนาจมากนะบีบเราอย่างอื่นไม่มีเส้นสําคัญมากนะเส้นตึงอะต้องไปให้เรา ค น, it, น, i, น analog analog, ที่เ <ama ishops. S 2> ินยมีคนเยอะเยันระวังยากมันมีมันอะไรมันอะไรพูดไม่ถูกเดกรุ่นกับจของเองอ่าไม่หายไฟอันี้เขา้กเ้ อตาผมเท่าไหร่นะเข็มมันไม่เห็นเห็นเข็มเดียวอะ่อะนะหกโมงสามสิบสองนเท่าไหร่สามที่สองอเดียวหกโมงสามท่สองเดียวมันไม่เห็นเข็มนะตาผมอันนี้ตาผมแต่พอดูได้แล้วพระมีเ <c> ท <oughs> ่า ไ, ไหร่เวลาเดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่ มาใหม่มาที่ไหนบ้างมาม ไ, ไม่รวมก็ได้มีเท่าไหร่มีเท่ไหร่อันนี้มันเหนื่อยพอแล้วต้องจะเช้ามายันค่ำไม่มีเวลานะอันนี้ยกแขกกับคนเรื่อยๆทียจะบทก็ไม่เสมอคนนอดสิน่นจากแล้วก็มารับแขกไอ้รับมาเรื่อยๆค่ำ นี่เราเป็นห่วงพระเนนมากขึ้นทุกวันนะในการปฏิบัติศา ส, สนาของพระเนนเราเวลานี้รู้สึกวัาเหลวไหลอ ย, อย่างมากทีเดียวนะไม่ใช่ธรรมดาจนเป็นหน้าวิตกทั้งท่านทั้งเรามันพอๆกันจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้นะ ข้อที่เลอนี้มันมีอยู่กับหัวใจของทุกคนบีบบังคับมันไว้มันก็ออกดืด้อต่อหน้าต่อตาเพราะมันเป็นอัตโนมัติคือค้างเคยชินของแค่ของมันที่มันใช้จิตเป็นเครื่องมือทํางานเพื่อวัตจักรของมันอยู่วนไใฮ ห, หัวใจของสารโลก แล้วก็สร้างกองพึกในหัวใจตลอดเวลาเนี่ยที่โลกมองไม่เห็นเลยเราอยากคูดอย่างนั้นนะจุดที่มันเป็นภัยต่อโลกคืออะไรสัพมะการที่เรียกว่านิเลยก็คือสิ่งที่เคลือบแฝงเป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในใจเคลือบน้ำตาลน้อยอย่างมิดตัวให้ มองไม่เห็นกิเลสเลยทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่อันนี้ที่สัตว์โลกไม่มีเวลาตื่นนอนได้เ <c oughs> พราะอยาเครือบน้ําตาลของกิเลอมันซึมซาบไว้หมดให้พอพอใจทุกสิที่มันผลักดันออกมาให้สแสดงอย่างไรเป็นเครือบน้ําตาลออกมาพร้อมมาพร้อมที่จใจสัตว์ทั้งหลายติดผันหลง กับมันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวย <c oughs> อย่างหยาบมันก็เคลือบไว้อย่างหยาบอย่างการอย่างละเอียดละเอียดขนาดไหนมีเคลือบไว้เสร็จไว้เสร็จไม่มีจิตตัวใดที่จะไม่เคลือบน้ำตาลเป็นเครื่องร่อไว้กับปียาของมันที่ กระดันออกมาเนี่ยที่เป็นนาท้อ ใ, ใจออกมากนพะระผู้ปฏิบัติเราเพื่อมรควุนพานนี้พอเป็นเอกเทศบ้างซึ่งจะควรทราบทิกภัยของมันที่อยู่ภายในซึ่งถูกน้ำตาลเคลือบเอาไว้เคลือบเอาไว้ตามขนาด แห่งที่ที่มีหนาแน่นเบาบางขนาดไหนความเคลือบน้ำตาลล่อรอวงสรลกของคือมันจะเคลือบไว้เป็นชัน้นๆชัน้นๆมาเลยนี่คือหลักธรรมชาตินะท่านทั้งหลายไม่เคยทราบให้จำให้ดีนุ่นถึงขั้นเวลาขิดมีความเลฉลีวฉลาดแหลมคมสิ่งอันนี้นจะค่อย กดขึ้นกับสติปัญญาของผู้บำเพ็ญขั้นต่างๆของสติปัญญาจะเริ่มเห็นสิ่นนงนี้มาเป็นอับแล้วก็จะเริ่มเห็นพิษเห็นไถ่ <c oughs> ถ้าไม่มีการกบลมถุ่นใจนี้บ้างเลยแล้วกี่กับกีกันเบื้องต้น <c oughs> เบื้องปลายของวัฏวนที่เคลื่อนไปน้ำตาลนี้จะไม่มีสิ้นสุดยิติลงโดยลำพังตนเองเลย จะเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปเช่นเดียวกับที่เป็นมาแล้วนั่นแหละนี่แหะที่พระพุทธเจ้าทรงข้อพระทยัยคือมันมองเห็นตัวภัยจริงๆไม่ได้เลยของจัดโลกเพราะไี่เล่ัวคลือนน้ำตาลมันไม่ให้มองมันให้แต่ความพอใจเป็นเพื่อนน้ำตาลออกมาออกมาหมด สำัญมากแล้วเวลานี้สงจนารก็ค่อยเป็นเกาะเป็นร อ, อนหดย่ดนเข้ามามากเข้ามามากเข้ามาแล้วนะคือก่เลสมันห้อมล้อมมันไปตลาดเข้ามารืยเืเรืเ่อยไม่ให้มองเห็นเลยนะ ที่เปลี่ยนนิสตลาดเข้ามาทุกด้านทุกทางโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันมาทุกแง่ทุกมุมไม่รู้เลยก็คือวัตถุต่างๆนั่นแหละที่เป็นเครื่องหลอกลวงมันมาทุกแบบนะวัตถุต่างๆเป็นเครื่องมือของเปลีเป็นกลมุบายของเปลีที่มาลบลร้างทำ มันยกตัวของมันให้เป็นที่สนใจต่อสารโลกมีน้ำหนักขึ้นทุกวันทกันกระจายตัวออกมาทุกแบบทุกฉบับมองไม่ทันนะลำพังสติปัญญาธรรมรานี่มองไม่ทันมันออกทุ่งแง่ทุ่งมิจเจติห้อมล้อมภายในใจิตใจมีก่ตลอดมาแล้วก็อาศัยสิ่งที่มาล่รอลวงภายนอกกุลมายาของมัน แทรกเข้ามาแทรกเข้ามาทางภายในนี่ก็เชื่อมความหลงก็มีแล้วผั ก, กับไตของเรามันก็ออกรับกันได้ง่ายได้ง่ายหลงกันได้ง่ายรู้กันได้ยากเนี่มันสอดมันแทรกมาทุ่มแน่ทุ่มง่ายความทุกข์ความทรมานก็รู้ทุกสัตว์ทําไมใจเป็นนักลู่จะไม่รู้แต่ไม่ไมีใครเห็นโทษของมาัน ทุก็ยอมรับว่าทุกดิ้นโวนกวยจะเสื่อมโทสมจนถึงขั้นลงขั้นตายก็ไม่เห็นโทษแห่งความทุกข์นี้ว่ามาจากไหนเนี่ยมันสำคัญตรงนี้นะอันเป็นสอนให้อบรมจิตใจคือให้ดูใจใจนี้คือมหาภัยเนื่องจากนิเลศตัวมหาภัยฝังใจอย่างลึก มากทีเดียวจนไม่อาจมองห็นได้เลยว่านี้คือใจแฉมันมีแต่ใจที่เป็มไป ด, ด้วยกิเลสออกมาแงใดมุมไหนความหลงออกมาพร้อมความเชื่อตามกิเลสออกมาพร้อมออกมาพร้อมปริยาของจิตจิ่ิเช่นสังขาตรตุงขึ้นมาตุงเรื่องอะไรก็าตามความเชื่อจะขึ้นมาพร้อมพร้อมเลยนะ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 เช่นบำเพ็ญภาวนานี่คือเรียกว่างานของใจโดยแท้ที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นภัยต่อตนเองให้ค่อยลูกเนื้อลููตัวค่อยขยับขยายออกในสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้น <c oughs> เริ่มตั้งแต่ฝุดใจเป็นฟืนเป็นไฟเข้าสมาธิไม่ได้นะคือ ท, ที่เหลือมันมาตายออกไปเตยออกไป จิตมันแต่ฟุ้งเฟอเ้อเหอ่อหืมดิ้นตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอนี่คือเรื่องของพิเรศ ล, ล้วนๆ ง, ล, ง, ล, งลักดันออกไปให้ชิดให้ปุงไม่อิ่มไม่พอไม่เฉดไม่หลาบมีแต่เชื่อมันเรื่อยๆไปตลอดเวลาหาความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ท่านจริงสอนให้เข้ามาดูจิตด้วยสตินานขึ้นแล้วนะนี่หละจุดที่จะรู้นะให้รู้ด้วยสตดยิดูจิต เช่นผู้ภาวนายังไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรก็อย่าไปคิดอะไรมากให้นำคําบริกรรมภาวนานั้นมาติดแนบกับใจไว้อย่างเอาจริงเอาจังด้วยสติจริงจังเช่นเดียวกันอย่าหวังมักหวังผลอะไรนอกจากคําบริกรรมที่กําลังบําเพ็ญอยู่ด้วยสติในเวลาปัจจุบันปัจจุบันนั้นเท่านั้น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 ความฝ่าฝืนบีบบังคับกันจริงๆด้วยจิตตภาวนามีสติเป็นเครื่องบังคับจิตใจไม่ห่างเหินจากกันเลยนี่คือเรื่องเอาจริงออกจังที่ใจเห็นโทษเห็นคุณของธรรมและของกิเลสภายในใจดวงเดียวกันนั้นต้องใช้ความอดความทนความบึกความบึนความฝ่าฝืนทุกอย่างด้วยความภาคภูมิ เรื่องระบริกรรมทำบุตรใดก็ตามเป็นพุโทโธพุโทโธให้ตั้งหลักเกณฑ น, นั้นยาหวังมักหวังผู้ใดนอกจากคําว่าพุโทโธก็สะติกลมตื่นกันด้วยความเพียรเช่นนั้นนี่แหละหลกฐานเบื้องต้นที่จะระงับดับความฟุ้งเฟอ้อเหื่หึงดิ้นโดนกวดแกว่งของจิตได้ด้วยอํานาจแห่งคําบริกรรมที่บีบบังคับมันไว้เพราะสังขารที่มันเคยชิดเกิดตุ่มนั้นเป็นสังขารของสมุทรไทยก่อไฟเผาตัว แต่สังขารที่คิดขึ้นด้วยคำบุญกรรมคือพุโทโธเป็นต้นนี้เปนสังขารฝ่ายมากที่จะระงับดับสังขารฝ่ า, ายปุรุภัยลงด้วยสติเป็นเครื่องกำกับตลอดเวลานี่แหละที่เราจะได้เห็นเหตุเหตผลในชั้นตั้งหลายจำเอาไว้นะผมแต่แล้วผมห่วงมากห่วงมอห่วงเพื่อนสำหรับผมเองผมไม่มีอะไรแล้วก็เคยพูดห้สั่งแล้ว อยู่กับโลกนี้ผมอยู่เพียงเป็นจิยาเฉยๆผมพูดกงๆพูดให้มันเต็มยศเลยก็ว่าจิยาอันนี้ใช้เพียงโลกสมมติเพียงตอนนั้นตามขหนึ ป, ประเพณีที่โลกยอมรับกันก็ปฏิบัติตามจิยาที่โลกยอมรับกันผิดก็ยอมบอกว่าผิดจิยานี้รักษาไว้ไม่ให้ผิด ถูกก็ยอมรับว่าถูกปียานี้กด็ดำเนินไปตามความถูกต้องนั้นประจําขันของตนของตนส่วนจิตที่จะมาเกี่ยวข้องขวบพันได้เสียกับสิ่งเหล่านี้มันหมดปัญหาไปโดยสิ้นถิงแล้ว <c oughs> ในแดนสมมตินี้ไม่มีอะไรเข้ามาแทรกในจิตใจนี้เลยจะเรียกว่าจิตใจนี้นอกสมมุติไปหมดแล้วก็ไม่ผิดด้วยความท่านัดชัดเจนในหัวใจของเราที่รู้อย่างนั้นจริงๆ ตั้งแต่ที่เคยเกล่าวให้หมูพุ่นสังมาสองพันสี่ร้อยเ้าสิบสามฟ้าดินถล่มในหวัวใจนี่ก็คือกิเลสพังลงจากหวัวใจนั่นเองที่ใจ ม, มืดมิดจิตตามีแต่กิเลสทั้งนั้นนะัวนเวลาได้มันใช้จางขึ้นมาแล้วถึงได้เห็นโทษของมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นมันจะสว่างสวยมากน้อยไม่เต็มเม็ดเป็นหน่วยสิ่งที่ไม่ให้เต็มเม็ดเป็นหน่วยนั่นแหละคือกิเลสขี้ี้ขวางปิดบังเอาไว้ ไม่รู้ให้เห็นทั้งสิ่งทั้งหลายมีอยู่เต็มโลกประทเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เลยบกค่องอะไรเลยแต่จิตมันก็ไม่มองไม่เห็นตามสิ่งที่มีที่เป็นทั้งหลายเนื้เหล็กลบล้างไม่หมดลบล้างไม่หมดให้เราก็เชื่ อ, อความลบล้างของเกิว่าสิ่งนั้นไม่มีประจานที่เหลืเสียเนี่ยอันนี้สัมพันธ์มากทีเดียวนะที่สัตว์โลกได้ร่มถล่มเพราะอันนี้แล้วมันมีคำว่าเทศลาบอิมพอณนะ ความชิดความตุงของใจนี้เราอยากเข้าใจว่ามันจะอีกพอไม่มตืนนอนขึ้นมาชิดแล้วติดเครื่องวัตจักรเต็มหัวใจแล้วตั้งสูนตื่นนอนต้นก็ทั้งหลับถ้าไม่มีการหลับมนุษย์นี้ตายง่ายที่สุดไมได่ไปถึงไหนตา ย, ยมีระงับกันในเวลานอนหลับเครื่องคือพิลิตทำงานก็ระงับดับกันไป พอตื่นขึ้มาก็ทำงานแล้วนี่คือไม่มีอะไรหักห้ามกันเลยเป็นธรรมชาตาิของจิตที่ทำงานนี้เป็นวัตจักโดยอัตนมัติของตัวบนหัวใจสัตว์เป็นมาอย่างนี้เลยกันเท่านั้นหรือเวลาเราใช้ความพิถีพิถันเอาจริงเอาจังต่อเหตุต่อผลต่ อ, อตัวทำจริงๆแล้วเราต้องใช้ความเทมวดกวดขันความอดขัมผลต่อต้านกันเหมือนเขา ขึ้นต่อยกอนกันบนเวทีนั่นแหละครอ่อนข้อมะได้นะการต่อก่อนอชกกันบนเวทีต่างโกนต่างเอาชัยชนะเวลานี้กิเลสมันมีชัยชนะก่อนตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นความเพียรของเราจึงเลวไหลเล้วไห ล, ไหลตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีพอขึ้นปเวทีแล้วก็หงายท้องให้กิเลสเห ย, ย, ยียบเอาเหยียบเอาตลเวลาหาสติไม่ได้ คำว่าความเพียรไม่ทราบอะไรเป็นความเพียรภาวนาพุโทโธพุธโทโธเป็นต้นสติก็ไม่มีความบังคับก็มีแต่ความเพื่อสะดวกสบายนั่นคือทางกรงเยเล่มันเอาไปแล้วเอาไปแล้วให้จิตทา ง, งกุงเยเล่ยนี้สบายสบายมันสบายเพื่อฝุ่นไฟเผาตัวเองต่างหากไม่ได้สบายเหมือนอัดเหมือนำทำที่ได้รับความทุกข์ยากในการบีบบังคับต่อสู้กันเนระยแรกแล้วต่อไปก็ จะรับผลขึ้นมาเป็นความสัมภาษณยสมายอย่างนี้ในวิธีการทองเย่ไม่มีแต่วิธีการของทำเวลาต่อสู้กันหนักขนาดไหนเรื่องของอะระหว่างความเพียรกับกิเลสมันจะฟัดกันอย่างหนักคือกิเลสต่อสู้เรามางคับให้อยู่กับพม่าพุทโธกิเลสจะลากออกนอกจากพุทโธเป็เรื่องของมันร้อนๆรอบตัวเลยเนี่ยอันนี้สําคัญมากให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะ อย่าไปเสียดายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยขคิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งตังนนี้ได้ผลประโยชน์อะไรก็เรื่องที่เลรศทํางานบนหัวใจมันจะเอาผลความดีงามสุขสบายให้เราที่ไหนมันก็มีแต่สร้างโครงจับเขาหัวใจเราสร้างฟืนสร้างไฟเผาหัวใจเราสร้างโครงจับผันหัวใจเราตลอดมาและจะตลอดไปไม่มีสิ้นสุดต้องฟัดต้องอย่างกันเพื่อหัก งกงงตรมวัฏ จ, จักรด้วยอำนาจเบื้องต้นมีคำบุญกรรมต้องห้ามกปนอย่างหนักนะเอาพุโทโธเท่านั้นนะไม่ต้องไปมุ่งอะไรนะ <c oughs> เรวบริกรรมคำไหนก็ตามตามจะดีนิสัยที่ชอบแต่นี่ผมบอกออกมาคำว่าพุโทโธเป็นจุดศูนย์กลางสังหาส่วนที่เหมาะสมกับกรดนิจใยนิสัยของผู้บำเพ็ญในทำบทุรใดให้ยึดทำบุนั้นเป็นหลัก มีสักติจับมีกุดญแจอย่าปล่อยอย่าวางที่ยาอาการที่เคลื่อนไหวไปมาคําบุญกรรมกับปิต ก, กับสตินั้นให้ทํางานตลอดเวลานี่ชื่อว่าผู้ทําความเพียรจะได้รับความสงบในวันหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยขอจะยาถอยไปแล้วกันนี่หละการตั้งร่ากศาลเมืองตน้นตั้งยากนะตั้งยากเหล่านี้ผมได้ทํามาแล้วนะไม่ใช่ไหม สอนหมูเพื่อนแบบงูปลาปลานะทำมาแล้วแบบจริงจังอย่างที่ว่านี้ด้วยนะยางานที่เคยพูดถึงเรื่องจิตเสว่มมาเป็นปีกว่านั้นเหรอแล้วเจริญเสียมแล้วเจริญหาพามกองทุกแบกกองทุกนี้ไม่แหไม่มีกองทุกใดที่จะมากขึ้นกว่ากองทุกของจิตที่จเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสือเส่อม ซึ่งปรากฏถึงหัวใจของเราตึงกระทั่งถึงความเฉดหลักเลยถึงขั้นที่ว่าจิตพอได้หลักขึ้นมาเป็นความสงบแล้วต้องเอาตายเข้าว่าคราวนี้จิตจะเสื่อไปไม่ได้ถ้าจิตเสื่อมคราวนี้เราต้องตายจะเป็นอย่างอื่นไปไมาได้นั่นสิมันอาจเป็นได้นะสําหรับนิสัยของผมนี่มันเด็ดขาดจริงๆเราก็เทียบเอาพระโคติกนน์ดมาเป็นตัวอย่าง ท่านค่าตัวเองตายนะเพราจิตท่านเสื่อมในครั้ง น, นั้นท่านบอกว่าชานเสื่อมฌานเสื่อมก็คือสมาธินั่นแหละเสื่อมชานน่าจะแปลว่าความเพ่งความเล็งอยู่จุดเดียวคือจุดแห่งความสงบนั่นมันเสื่อมไป <c oughs> ทีนี้ไม่มีตัวสุดไหนที่จะจับจะห้องจะแวะจะอาศัยพึ่ง พ, งพิงได้ทีนี้ก็มีแต่ความว้าเวเสียดายความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของฌานนั้นโดยทรายเดียว โดยไม่มีสิ่งตอบแทนคือสมหวังสมหวังว่าเป็นความสงบตามความมุ่งหวังแล้วอย่างนี้ไม่มีนั่นละกองทุกข์เกิดขึ้นแล้วล่ะท่านแสดงไว้มีถึงห้าครั้งหกครั้งนะพอครั้งสุดท้ายท่านก็เอามี่โกนมาชวนขอเลยในอันนี้ในตะำราพูดไม่ไม่ ช, ชัดเจนนะแต่เราก็เข้าใจ เวลามาปฏิบัติแล้วเข้าใจเวลาอ่านตำราไม่ค่อยเข้าใจลักษณะเป็นมัวมัวอยู่่พูดถึงเรื่องพระขุดขิกะในภาคปฏิบัติของเรามันก็จับกันได้ทันทีทนนอย่างขนาดที่ว่าเอามืกโกนมาสวนขอแล้วเลือดทะลักออกมาเกิดความพิจารณาท่านมีปัญญาขงท่านอยู่แล้วเลยอนั้นเป็นอารมณ์แห่งธรรมพิจารณานั้นกระดัลูขึ้นมาในเวลานั้นไปได้น เนี่ยที่ว่าพยามารมาคุ้ยเขีย่ยขุดค้นหาจิตตวิญญาณของท่านเพราะพญามารมันไม่พอกับความโลกมันครอบหัวใจสัตว์โลกให้อยู่ในเนื้อมือของมันมันเป็นนายใหญ่เหนียวกว่าพยามารทีนี้ผิพระโคติกัดหลุดพ้นจากอำ น, นาจของมันไปมันจึงต้องคุ้ยเขีย่ยวขุดค้นอย่างสุดเหวี่ยงเลยปรากฏในนํำกัมลาว่าความมืดมัว ของดินฟ้าอากาศมืดไปหมดพอ่อริษทของพญามารคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาจิตวิญญาณของพระโคติกัดเพียงดวงเดียวเท่านั้นถึงพระพุทธเจ้าจะมาปํะหลากปราบตามเอาว่าทั้โคติกัดเธอจะมาคุย้ยเขี่ยขุดค้นหาจิตวิญญาณของพระโคติกัดซึ่งเป็นลูกของเราแต่โคทั้งเธอไม่มีหวังจะพบแล้วเพราะพระโคติกัดของเราได้หลุดพ้นจาก อำนาจของเธอถึงขั้นอรหัตภูมิมิพานไปเรียบร้อยแล้วน่น <c oughs> นี่แหละพยามาณมันโรคขนาดไหนสัดอยู่ในแดนโลกชาตินี่มันขรอบอำนาจไว้หมดเพียงจิตวิญญาณของมาโคจิกัดดวงเดียวทำไมมันไม่ปล่อยมือมันยังตามขุดค้นออกมาไว้ในอำนาจของมันจนได้นี่หละี่เรศมันพอที่ไหนทีนี้ความคิดความปรุงของใจเราซึ่งเป็นพยามาลอันหนึ่ง มันบีบบังคับอยู่หัวใจของเรามันเป็นเจ้าอำนาจเที่ยวขยามานที่เหล็กประมาณมันครอบอยู่หวใจมันลากมันเฉ็นให้คิดให้ตุ่มไปตามแนวแถวของมันจนได้จนได้ดึงเข้ามาสวดสุธรรมมันไม่ยอมมาหนะมันเสียดายความคิดความตุงหามาเป็นเป็นการระบายออกแนวความทุกข์ความทรมานเพราะการฝึกประมาทจิตใจเป็นขอบถูกในขั้นเริ่มแรกแล้วการปล่อยตามเรื่องนี้ มันรู้สึกว่ามันขี่คายล้วถ้าขี่คายไปเพื่อชำระหัวเราเพื่ออำนาจของพิเรศหลอกบวงนั่นเองแต่มันไม่รู้นะเนี่ยจึงต้องใช้บทหนะักในขั้นทุกข์เอาให้จริงนะนี่แหละการทรงมรรคทรงผลจะทรงในจุดนี้เป็นแน่นอน <c oughs> นี่ผมนี่พูดมาเป็นตัวอย่างแต่ท่านทั้งหลายผมตั้งได้จุดนี้ถึงขั้นเป็นขั้นตายไม่ยอมปล่อยวาง คำว่าเสื่อมคาว่าจเจริญที่เลยเคยปั่วพันกันมาสร้างของถุกขึ้นมาพร้อมในขณะเดียวกันบนหัวใจเหล่านี้มันไม่ไม่มีวันลืมไม่เลยมันฝังลึกมากความทุกข์แสนสาหัสที่ผิดเสือมลงไปนี่มีแต่อยากได้อยากเป็นขึ้นมามันก็ได้แต่ลืมแรงเพราะฐานที่จะให้เกิดความสุขความสุง เย็น ใ, ใจที่จะได้ความสงบทั้นกลับมาเราวางไม่ถูกเราบำเพ็ญไม่ถูกมี่จ่ความหวังความอยากเวยๆจึงต้องตัดสิ่ง่นั้นออกเครือก็ตามจเจริญก็ตาม <c oughs> มันจะไปไหนเราก็เคยคว้าน้ำเหลวกับมันมาพอแล้วคราวนี้จะไม่ควาเราจะคว้าแต่พุทโธโดยความลำพึงในใจว่าจิตใจของเรานี้อาจจะเอไปเพราะมันมีคำมือคำก็ได้ เพราะแต่ก่อนเราไม่มีกรรมมีแต่สติตั้งรู้วันี้เฉยๆมันอาจชิดไปที่ไหนห้าโลกธาตุได้เพราะฉะนั้นมันจึงเสื่อมต่อหน้าต่อตาเราเราจึงคิดเป็นรูบายใหม่ขึ้นมาคราวนี้จะเอาพุทโธเป็นหลักตั้งเลยเอาเป็นก็ตามตายก็ตามจะอยู่กับพุทโธเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามเราจะให้อยู่กับคําว่าพุทโธนี่อย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเราไม่เอา่ตั้งหน้าทำในงานปัจจุบัน ได้แก่พุโทโธพุธโทโธคือใจเมันเป็นอย่างานั้นจริงนะมันไม่หลอกแหละนะเ <c oughs> พอาะว่าตั้งหลักลงกับคำว่าพุทโธโรปร่งใจกับคำว่าพุโทโธทีนี้พุโทโธตั้งแต่ขนาดนั้นไม่ให้เผลอเลยนะไม่ว่าจะความเคลื่อนไหวมาทั้งวันไม่ย่อมให้ เ, เลยอืลในระยะที่ตั้งจิตขึ้นมาใหม่นี้ผมอยู่คนเดียวเช่นด้วยนะพอแม่หัวจานไปเผาศกหลวงปู่เสา <c oughs> ผมอยู่คนเดียว <c oughs> บ้านนาขุนนวนวัดร้างของ <c oughs> งานยิ่งสนุกทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนตั้งพุทโธพุทโธตลอดจนกระทั้งได้รู้ชัดในคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เวลาจิตละเอียดเขาไปจริงแล้วคำบริกรรมหายหมดนะเนี่ยก็ออกมาพูดได้ที่มันเป็นกระหัวใจเจ้ของเองบริกรรมพุทโธพุทโธนั่นแหละเวลาถึงขั้นละเอียดเต็มที่แล้วนึกคำบริกรรมไม่มีเลยไม่ออกเหลือแต่ความรู้ล้ลวน ก็เกิดงงในตัวเองเนี่ยทีนี้ทําไง <c oughs> แต่ก่อนเราก็อาศัยคําบริกรรมยิดไว้กับสติอยู่ด้วยกันทีนี้คําบริกรรมนี้กําหนดอะไรก็ไม่ปรากฏกําหนดพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วจะทําไงเอาไม่ปรากฏก็ให้อยู่กับความรู้นี้นั่นตั้งสติไว้แต่ความรู้นี้นั่นเอาอยู่นั่นนะอ่าไม่ปล่อยตรงนี้เอาเวลาขะมันตรงนั้นไม่มีพุทโธนี่ให้อยู่กับความรู้นี้คือว่ามันกลมกลืนเป็นเดียวก่ปแล้วบริกรรมไม่ออกไม่มี ให้อยู่กับนี้วคอยสังเกต ด, ด้วยสติไม่ให้เถื่อนี้พอถึงการเวลาแล้วมันก็ขี้คลายออกมาพอขี้คลายมาก็าบริกรรมได้บริกรรมติดเข้าไปอีกเลยถึงต่อมามันก็รู้วิธีการอ๋อเวลามันจิตนี่ละเอียดจริงๆแล้วคําว่าบริกรรมมีหายหมดนานรู้ชัดนะอแล้วก็ทราบรู้วิธีปฏิบตัติแต่มันหายก็อยู่กับความรู้เสียแน่เมื่อรู้แล้วให้อยู่กับนั่งพอมันขี้คลายมาก็ คำบริกรรม ก, ก็ติดเข้าไปสันทีสติติดแน่ตลอดเวลาทั้งที่บริกรรมได้และไม่ได้สติขาดไม่ได้ง <c oughs> านหลักที่นี่มันก็ตั้งหลักได้ข้อละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความวุ่นวายเหล่านั้นมันไม่ยุ่งแล้วแหละเพราะอํานาจแห่งความบีบบังคับบีบไม่ให้ชิดกับสิ่งใดนอกจากคําบริกรรมอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมันบีบบังคับทีดเส้นตายให้กันเลยนะนิสัยเรามันจริงจังมากเราพูดจริงจรินะ เราไม่หลอดเลยนะทําอะไรจริงจังทุกอย่างว่าอะไรเป็นอันนั้นเลยขาดสะบั้นไปเลยนะนี่ก็ตั้งนะขันต่อมามันก็แน่หนา ม, มันคงขึ้นเไปเลยค่อยพอถึงขั้นมันควรจะเสื่อมมันจเจริญเข้าไปถึงขั้นนี้แล้วสองสาวันมันเสื่อมอ้าเเื่อญก็เสจริญตาะไม่เป็นกันงวลกับมันเพราะเคยหวังแล้วมันไม่ไม่มีประโยชน์อ้าวจะเจริญก็จเจริญตายแต่คําว่าพุทโธจะไม่ปล่อย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 หมดคุณค่าหมดราคาหมดหลังสร้างความทุกขึ้นต่อเองขึ้นที่ั้นเห้นที่นี่พอมันถึงขั้นที่มันจะริญนแล้วมันจะเสืออ่อมเอปล่อยแต่คำบุญกรรมไม่ยอมปล่อยสุดท้ายมันก็มันเสื่อมนั่นแน่วแนวเ่แแเข้าไปเรื่อยแล้วยดเข้าไปเรื่อยเรยค่อยจับจับจุดได้อ๋ออมันเสื่อมเพราะขาดคำบุญกรรมน่เสื่อมเพราะเหตุ น, นี้เอง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 นี่เราพูดถึงเรื่องการฝึกเบื้องต้นมันหนักจริงๆหนักจิตใจเรานี่เป็นไฟทั้งกองนะเวลาถ้าไม่มีสมถะธรรมคือความสงบเย็นใจเข้าไปแทบบางแล้วหาที่โปรงที่วางมาได้นะพระเรานะเออใครจะชื่ อ, อ, อพระมีเลยเทยธธวดาไปได้แต่นรกอวิีมันก็เผาพระอยู่ทั้งๆ ท, งที่ว่าเป็นเทธธวดานั้นแวแหละเพราะกิเลสไมไ่กลัวอะไรกลัวแต่ธรรมเท่านั้น ถ้าสติทำจับบังคับเข้าไปแล้วมันจะยอมให้พากันตั้งใจจุดนี้ไปจุดสาคัญให้ตั้งหลกัลกร่าสายมะการพูดเหล่านี้ผมไม่สงสัยในการแนะนำฝังสอนหมู่เพื่อนนะได้ทํามาแล้วเห็นผลประจักษ์มาเดินนะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ขึ้นมาจากกอไก่กอกาที่ว่าพุโทโธพุทโธนั่นแหละ <c oughs> ไม่ต่อยพอจิตมีความสงบแล้วที่มีความยุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งเคยก่อขวัและฉุดลากเราออกไปออกไปมันก็เบาไปเบาไป ดืมสมรชาติทเป็นโอชารดของใจก็สบายสบายสมายนี่มีทางเดินแล้วถึงเรื่องอารมณ์ต่างๆที่มันเคยผักดันออกไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเมื่อกี้ไม่กีบ ป, ประเพณุเผาหัวใจนั้นมันก็จางไปอย่างไปสุดท้ายมันไม่สนใจอ่าความสงบนี่มีกําลังมากขึ้น อ, อยู่กับความสงบมีความสบายไม่มีใบกวนใจ ความคิดตุงแยห้หนึ่งขึ้นมานี่เป็นการกวนใจแล้วนั่นพอถึงขั้นสงบเต็มภูมิของตัวเองแล้วความคิดตุงนี้เป็นเรื่องกวนใจทั้งนั้นไม่อยากคิดนี่แหละที่ว่าติดสมาธินะ่ะคือคิดแป๊บออกมาหนี้มันกวนใจแล้วกวนใจแล้วคิดอยู่ในความรุนหลิงแนวตลอดกลางวันกลางคืนเวลาไหนก็ตามมันไม่ได้สนใจกับเมือ่อกับแคลงอะไรนะั่นนี่จะอยู่เพลินอยนู่นัาน ในความรู้ที่สงบตัวแน่วตลอดเวลาืะไม่มีอะไรเข้ามา ก, กวนนี่เรเรียกว่าอาหารของใจเมื่อใจมีอาหารเพียงขนาดนี้ก็พออยู่พอกินแล้วเพราะฉะนั้นพูมถึงสมาธิจึงเพลินในความเพียนทางด้านสมาธิไม่จะออกสิตคิดค้นด้วยปัญญาก็นอนจมอยู่นั้นได้อย่างที่ผมเคยนอนจมมาตั้งห้าปีพ่อแม่ครูอาจารย์ลากอ็อกผมไม่ลืมเลยนะนถึงได้ออก พอออกนี่คือเก้าถึงขั้นปัญญาในที่หมุนปิ้วเพราะมันพร้อมแล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนของปัญญาพร้อมแล้วแต่ไม่นํามาใช้เป็นปัญญามันก็เป็นพอออกมาใช้เป็นปัญญาตามีขั้นฉุดรากออกไปแล้วมันก็ค่อยรู้เหตุรู้ผลเข้าไปอ๋ อ, ปนะออ๋อไปเรื่อยเลยเพออะอ๋อนี้ก็ค่อยเริ่มนะพอเห็นผลแล้วเรื่องความภาพเพียงความสนใจต่อความเพียรทางด้านปัญญานี้มันจะหมุนตัวเข้ามาเองมาเอง จานั่นก็เพลินทางด้านปัญญาเลยลืมพักสมาธิไปมีไม่มีมันก็หาว่าสมาธินอนตายเฉยไม่เห็นเกิเปเดประโยชน์อะไรปัญญาต่างหาค่าเฉลี่สมาธิมันด้ค่าเฉลี่ย เ, เพียงตีเจตระล่ำเข้ามาเพื่อความสงบไม่ขวนใจเพียงเท่านั้นไงแต่การค่าเฉลี่ยนี่ค่าด้วยปัญญามันจะเห็นผลของการค่าไม่เฉลี่ด้วยปัญญาแล้วเพลินกับการค่าเฉลลืมพักสมาธิไปเสียมันไม่พอดีนะ สำหรับนิสัยผมมันผาดโผนจริงๆ <c oughs> มีกัรถูกท่านล้างเอาไว้อีกเดี่ยวก็เรื่องเดินปัญญาเกินเกินเหตุเกินผลท่านต่อร้างเอาไว้ท่านถ้ามันหลงสังขาร น, นั่นละ่ะสังขารที่ไม่รู้จักประมาณนะั้นมันเป็นสมุทัยได้ก็หมายว่าอย่างนั้นนะสังขารเป็นปัญญานี่แหละแต่เมื่อใช้ไม่รู้จักประมาณสมุทัยมันแทรกเข้ามาในสังข า, นารนั้นกลายเป็นมีสังขารสมุทัยไม่รูกเนื้อลูกตัวไปเสีย ท่านจึงให้ล้งเอาไว้เข้าสู่สมาธิพอจิตสงบพอสมกวนแล้วขอขอกทางด้นปัญญาเอาหมุนเลยพอจิตเหนื่อยเหน่อยเมื่อล้ารู้เจ้าของว่ามีกําลังดวงชาอ่อนแล้วให้เข้าพักสมาธินั่นนี่เป็นความพอเหมาะพอดีกับผู้บําเพ็ญเหมาะสมมากทางปรัญญาท่ทานก็แสดงไว้แต่เราไม่ค่อยได้ไปสนใจอะไรกับปัญญามันหมุนตัวของมันด้วยความดูดดื่มนั่นแหละเวลามันจะตายจริ ง, รงมันก็เข้าพักสมาธิ เนี่ยการบําเพ็ญจิตใจเมืองต้นยากนะเอาให้จริงให้จริงยาเราแหละนะเนี่ยเห็นงานใดเลือดเลยงานโรคสงสารงานวัตวนงานไปเผาหัวใจต่งางๆยาดียาดีกับพวกดูกองจักให้มันเผาตลอเวลาทั่วแดนโลกธาตุนี้จะพว ก, ยกอยู่ใต้กงจักหมุนตัวตลอเวลาทำนี้เป็นนิวัตตะให้อาศัยทำรรนี้เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องยับยั้งตัวเองด้วยความภาคเพียรหนักเบาสู้ตลอด สู้เพื่อความสุขทุกข์ด้วยความเพียงนี่เป็นทุกข์เพื่อความสุขทุกข์เบ้าหน้ําก็เรียกทุกข์เพื่อมาหันต่ทุกข์เอามาแยกมาแยกกันแล้วมันก็จะมีความเจริญมีคหลัง่งใจ <c oughs> จากนั้นพอปัญญาเก้าวคนแล้วที่นี่มันจะเบิกกว้างหนาะไม่ได้เหมือนสมาธินะ่ะสมาธินี้เหมือนน้ําเต็มแก้วเต็มภูมิแล้วก็เหมือนน้าเต็มแก้วจะให้ทํายิ่งกว่านั้นไปอีกไม่มีชุดฉีดอยู่ทางนั้นเล่าเป็นแล้ว ทำยังไงมันก็ลงแนวดิจ่ตเดียวดเดียวสุดท้ายก็ ว, ว่าความรู้อันนี้แหละจะเป็นนิพพานมันเลยเหมานิพพานว่าเป็นความรู้โง่โง่หมูความรู้หมูขุนเคียงด้วยสมาธิที่เสียเนี่ยพ่ อ, อแม่ของจามาล่ามันถึงออกทางด้านปัญญาพอทางด้านปัญญามันพี้กายเห็นชัดเจนตรงไหนมันปล่อยมันปล่อยของมันอ๋อค่าพเจค่าอย่างนี้คแเ้าก็เผยเรื่อยเรื่อย เพลนทางด้านปัญญาเนี่เพลินเพราความพู่นทุ่เพลินด้วยความเห็นภัยจริงๆเพลินอย่างนี้นั่นรู้แล้วนะหมุนติ้วตความเพียนจึงไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีเอียบุตนอนอยู่มันก็ไม่หลับทันทํางานของมันรู้แล้วแล้วปีปัญญา ต, าต้องมันต้องบังคับเข้าสู่ความสงอบเย็นใจ งแนวทางฝึกปฏิบัติทางสมาธิกานฝึกยังไงมีหลักเยืดใช้คำบริกรรมเป็นหลักเอาจริงเอาจังขนาดไหนเดียวเผลอไม่ได้ลืมไม่ได้อันนี้คือหลักการปฏิบัติในทางที่ดีทางที่ถูก ท่านจึงเป็นครูเป็นอาจารย์สอนสอนกายกับสอนพวกเราเนี่ยเพราะพวกเราต้องการจิตใจมีความสงบนอกจากจิตใจมีความสงบแล้วต้องการจิตใจมีสติมีปัญญาชําระในสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดโทษอันนั้นคือกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลาย ความเข้าใจการฟังกางรฝึกหน้าที่ของพวกเราเอ่าวันนี้เห็นว่าพอสมควรเชียเวลาเราเลียนในบทนคงใจของเราเอาอย่า ง, างาพวกโยงเราทุกคน <c oughs>